ยปฏิการนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อภ า, านเข้าหาอาบัติเดิมท่านพระอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วควรแก่อภ า, านต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้บอกกาภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันละถึง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 เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วให้มานัทหราตรีภิกษุทั้งหลายสงพึงแช่เข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มานัทหกราตรีอย่างนี้ละถึงภิกษุอุทายีสงได้ให้มานัทหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัตถิในระหว่าง ไม่ได้ปิดไว้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้มูลยะปฏิกสิตะอภ า, านว่าด้วยอภ า, านภิกษุผู้ถูกชักเข้าหาอาบัติเดิม ท่านพระอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสกาวิสัิปิดไวห้าวันละถึงกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้น สงจุงอภารภิกษุอุทายีวิธีอภารและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงอภารภิกษุอุทายีนั้นอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิ ปิดไว้ห <so> <wrestling> an. ้าวันกระผมนั้นขอปริวาทห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาทห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ กระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อส at at ัญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นอยู่ปริวารแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ กระผมนั้นขอาการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นอยู่ปริวารแล้วข อ, ขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัติสามตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติสามตัวแก่กระผมแล้ว กระผมนั <Glenn> a a word, ้นกำลังประพฤติมานัดต <c oughs> ้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงสงชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นขอมานัดหกราตรี เพื่ออาบัติหนึ่งตัวในระหว่างชื่อสัญญเจตนิกาสกาวิสัถิไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัทหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่กระผมแล้วกระผมนั้นประพฤติมานัทแล้วเป็นผู้ควรแก่อภานต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกาวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้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 เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่กระผมแล้วท่านผู้เจริญกระผมน้นประพฤตมานัดแล้วขออับปานกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้เจราสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาทห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิการสุกวิสัถิปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาทห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิปิดไว้ห้าวันแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้สงฆ์ช้าภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื uity, ่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภพิสุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัด ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอาการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักพิสุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสาตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสาตัวกับพิสุ อ, อุทายีแล้วภิกษุ อ, อุทายีนั้นกําลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุ อ, อุทายีนั้นขอการชักาเข้าวหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์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 ในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วเป็นผู้ควรแก่อภารต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสสถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิม <Jeez. S 2> เพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสสติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ช่าภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้พิษุธายีนั้นขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุขวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่ภิษุธายี ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วขออภารต่อสงถ้าสงพร้อมกันแล้วสงฆ์พึงอภารภิกษุอุทายีนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันละถึงภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วขออภารกับสงฆ์สงฆ์อภ า, านภิกษุอุทายีแล้ว ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการอภานพิษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงพิษุอุทายีสงอภานแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ ปฏิชันน์ปริวาสว่าด้วยปริวาสสาหรับอาบัติที่ปิดไว้หนึ่งปักสมัยนั้นท่านพระอุทายีต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกระผมจะปฏิบัติอย่างไร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 คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์โฮมอุตราสงฆ์จะเหวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แกพ่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอปักขะปริวาทเพื่อ อ, อาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิ ปิดไว้หนึ่งปากกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามกิุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบได้ยติเจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสถิปิดไว้หนึ่งปากภิกษุอุทายีนั้นขอปักขปริวาท เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปากกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้ปักกะปริวาทเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปากก่ภิกษอุทายีนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังขง้าพเจ้าภิกษอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปาก ภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสสติปิดไวหนึ่งปักกับสงทรงให้ปักขปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสสติปิดไวหนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาสหนึ่งปักเพื่อ อ, อาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสสถิปิดไวหนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายี ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงปักขบุริวา่าเพื่ออาบหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสุกาวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักสงให้แล้วแก่ภิกษุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปักขะปริวาสิกมูลยะปฏิการนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ในปักขะปริวาเข้าหาอาบัติเดิมท่านพระอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวา ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างปิดไวห้าวันบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักกระผมนั้นขอปริวาสหนึ่งปักเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิปิดไวหนึ่งปักกับสงสงได้ให้ปริวาสหนึ่งปัก เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไวหนึ่งปากแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภา ค, ครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงแชกภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันแล้วให้สโมโทนานปริวาสเพื่ออาบัติตัวก่อนวิธีแชกเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงแชกภิกษุอุทายีนั้นเข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสง์ พระผมอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนังย่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุกวิสัถิปิดไวหนึ่งปักกระผมนั้นขอปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุกวิสัถิปิดไวหนึ่งปักกับสง์สงได้ให้ปักขะปริวาท เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปากแกกระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอการชักข้าวหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราได้วยยติจจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสถัถิปิดไว้หนึ่งปากภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาสหนึ่งปากเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสถัถิปิดไว้หนึ่งปากกับสง ทรงได้ให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอการชะเข้าอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิ ในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสมถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนากาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจบงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนากาสุกกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาต เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุขวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปากกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุขวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปากกลาภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุขวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นข อ, ขอการแจ้งเข้าหาอาบัติเดิม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 ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงพิสษุอุทายีทรงชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้วเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกรวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สโมโทานาณะปริวาสว่าด้วยสโมโทนานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนและกรรมวาจาพิษุทั้งหลายสงพึงให้สโมโทนานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงโหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าพิสุผู้แก่พรนสาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกาวิสัถิปิดไว้หนึ่งปักกระผมนั้นขอปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกาวิสัถิปิดไว้หนึ่งปักกับสมสงได้ให้ปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกาวิสัถิปิดไว้หนึ่งปักแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาท อ, อาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัตดเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงส่งชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตดเดิมเพื่ออาบัดหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่กระผมแล้วท่านผู้เจริญ กระผมนั้นขอสมุทนานะปริวาทเพื่ออาบัด ต, ตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสมพึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สามภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัว สัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาสเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสมสงได้ให้ปักขะปริวาสเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนากาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกลายพิษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 เพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้สมุทานาปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันไกภิอุทายีนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า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 ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสกุลวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอการแชกเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุลวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงสงแชกภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสกุลวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวัน ภิกษุอุทาญีนั้นขอสมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกรวิสัตติในระหว่างปิดไวห้าวันกับสงสมให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกรวิสัตติในระหว่างปิดไวห้าวันแกลภิกษุอุทาญีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัว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 ในระหว่างปิดไว้ห้าวันสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีส่งเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้นมานตารหมโมูละยะปฏิกัศสนาทิ ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้นท่านพระอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างปิดไวห้าวันบอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัติปิดไวหนึ่งปักละถึงกระผมนั้น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 ในระหว่างปิดไว้ห้าวันแล้วให้สมุทรานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนภิกษุทั้งหลายสงพึงชักภิกษุทายีนั้นเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้คือละถึงภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สมุทรานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้คือละถึงสงให้ละถึงสมุทรานะปริวาสเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่สัญญเจตนกาสุกวิสติ ในระหว่างปิดไวห้าวันสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ติกาปฏิมานัตะว่าด้วยมานัะเพื่ออาบัตสามตัวท่านพระอุทายีนั้นอยู่ปริวาดแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักละถึง กระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกลายพิสุอุทายีวิธีให้มานัดและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงเพื่งให้มานัดอย่างนี้เกอพิษุอุทายีนั้นเพื่งเข้าไปหาสง์ ผมอุตราสงเฉวยงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตธิปิดไวหนึ่งปักและถึงท่านผู้เจริญกระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่อ อ, อาบัตส3ตัวกับสอ์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สาม ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงชุจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวเจ่อสัญญาเจตนิกาสุขวิสัชธิปิดไว้หนึ่งปากและถึงภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัติสมตัวกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้มานัดหราตรี เพื่ออาบัดสามตัวกับภิกษุอุทายีนี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงฆ์งฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัดหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสติปิดไว้หนึ่งปักละถึงภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตสาตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับภิกษุอุทายีแล้ว ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัทหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงมานัทหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทาย สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอเถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้มานัตตะจาริกมระยะปฏิกัะสนาทิว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้นท่านพระอุทายีนั้นกำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนากาสุกวิสัติในระหว่างปิดไวห้าวันบอกแกภิกษุทั้งหลายว่า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 ถ้าเช่นนั้นสงฆ์งชงแชกภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกรวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันแล้วให้สโมโุทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนแล้วให้มานัดหกราตรีภิกษุทั้งหลายสงพึงแชกภิกษุอุทายีนั้นเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้และถึงภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สโมโุทานปริวาท เพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายสงเพื่อให้มานธุกราตรีอย่างนี้ละถึงสงให้มานธุกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันสงให้แล้วเกิดภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้